นั่นสิมาตอนเช้านี้คุณหญิงจึงเพิ่งจะมารู้สึกได้ว่ามันเป็นฝันร้ายหรือไม่ก็อุปทานตอนที่ผมบอกเมื่อคืนก็ไม่เชื่อเคยมีเรื่องปรากฏมาแล้วคนไม่เคยนั่งห้างกลางป่าลึกมาก่อนเลยและเป็นนั่งครั้งแรกบางคนยิงเพื่อนร่วมห้างที่นั่งอยู่ด้วยกันตายเพราะเห็นเป็นอะไรไปบางคนเพ่นลงจากห้างกลางดึกวิ่งเตลิดเปิดเปิงหลงป่าเสียสติไปเลยอาการขนาดเบาบางที่สุด ก็เหมือนๆ อ, อย่างที่คุณหญิงเมื่อคืนนี้แหละคือยังไม่ถึงกับหมดสติแต่ก็เห็นหรือได้ยินอะไรสารพัดพอที่จะเอาไปเล่าให้ใครทําใครฟังขนลุกได้มันไม่เสมอไปนักส่วนมากเหมือนกันที่ผ่านการนั่งครั้งแรกไปโดยไม่เกิดอะไรขึ้นเลยทํางา น, นคุณให้ฉันขอโทษขอโผลสมานางไม้หรือเจ้าป่าเจ้าเขาทําไมกันก็บอกแล้วยังไงว่ามันเป็นการช่วยให้กําลังใจกัน ถ้าคุณหญิงไม่มองเห็นอะไรเลยนอนหลับได้อย่างสบายก็ไม่จําเป็นจะต้องทําอย่างที่พวกชาวป่าเขาถือเค่งคลัดเชื่อมั่นกันแต่นี่บังเอิญคุณหญิงเห็นอะไรมารบกวนอยู่อย่างนั้นซึ่งมันขัดกับความรู้สึกเดิมของคุณหญิงที่ไม่เคยเชื่อถือในเรื่องเช่นนี้มาก่อนไม่สามารถจะสํารวมจิตช่วยเหลือตัวเองได้ผมก็หาทางออกให้ยังไงล่ะว่าแล้วระพินก็หัวเราะหล่อนจ้องมองดูเขาอย่างชงนลึกไม่สาง ตัวคุณเองล่ะคุณเชื่อหรือเปล่าในเรื่องนี้พรานใหญ่หัวเราะ อ, อยู่เช่นนั้นชนิดที่หลอนถ่ายอะไรไม่ถูกมันพูดยากครับโลกนี้มีทั้งมุมมืดและมุมสว่างความลี้ลับบางชนิดยังไม่สามารถจะเก็บไว้ในหลอดทดลองของวิทยาศาสตร์ได้เก็บปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนเองเมื่อคืนนี้เอาไว้คิดเล่นเถิดครับพิจารณาค่ควรดูให้รอบคอบว่าอะไรกันแน่ คุณหญิงหูฝาดตาฝาดประสาทเกิดอนะเวงหลอกหลอนตัวเองขึ้นมาหรือว่าสิ่งอาถรรพ์เล่นลับในโรคนี้มันมีอยู่จริงมันสองแง่สองมุมอยู่อย่างนี้นะครับใครไม่ไปเชิญมากับตนเองก็จะไม่มีวันรู้สึกคุณหญิงเองก็ได้ชื่อว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งเต็มไปด้วยความทะนงเชื่อมั่นในตนเองชอบทดลองและกล้ า, าหาญเต็มไปด้วยเหตุผลที่สุด แต่คุณลักษณะของคุณหญิงเหล่านี้ไม่ได้มีเหลืออยู่เมื่อคืนนี้เลยแม้ว่าพอ ร, รุ่งเช้าแสงตะวันขึ้นอาจรู้สึกนึกหัวเราะย่อตัวเองที่หวั่นไหวอ่อนแอไปก็ตามฉันยอมรับว่าฉันพบกับปรากฏการณ์ประหลาดดาลินพูดอย่างใช้การค่ายครวนหนักหน่วงแล้วก็ตัดสินใจด้วยตัวเองออกมายังไม่ได้ว่ามันคืออะไรในฐานะที่คุณเป็นพรานป่าผู้ชำนาญ ใช้ชีวิตอยู่ในป่ามาเป็นเวลานานอีกอย่างหนึ่งก็คือคุณไม่ใช่พวกป่าเถื่อนงมงายจัดอยู่ในขั้นชั้นปัญญาชนผู้เจริญแล้วคุณจะรองให้ทัศนะแก่ฉันอย่างตรงไปตรงมาหน่อยไม่ได้ด้วยว่ามันคืออะไรเดี๋ยวนี้ฉันยอมรับแล้วว่าฉันสนใจและสงสัยเต็มที่จากเหตุการณ์ที่เผชิญมาเมื่อคืนแต่ถ้าผมพูดกับคุณหญิงก่อนหน้านี้คุณหญิงก็หัวเราะงอหายไปใช่ไหมครับ ไม่เชื่อว่ามันจะเป็นไปได้อย่างไรตอบคําถามฉันให้ตรงดีกว่าอย่าอ้อมค้อมอยู่เลยหน้าขำเหลือเกินนะครับแพทย์หญิงนักวิทยาศาสตร์พรุบหนาดเปลืองเกิดมากังวลใจอยู่กับเรื่องที่เคยเห็นว่าเหลวไหลไร้ศาลานี้เสีิแล้วแต่ว่ามันมีจริงใช่ไหมสิ่งหรือครับที่เราไม่สามารถมองเห็นด้วยตานี้ถ้าเชื่อว่าจริงมันก็จริงครับแต่มั่นใจว่าไม่มีมันก็ไม่มี ไปๆมาๆมันก็วนเวียนอยู่ในเรื่องของอำนาจพลังจิตอีกนั่นแหละผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงถูกเหมือนกันอย่างคุณหญิงเป็นต้นแรกทีเดียวเห็นเป็นเรื่องเหลวไรไม่เชื่อแต่กำลังใจของคุณหญิงก็ไม่มั่นคงเข้มแข็งได้พอแก่การที่จะยอมไม่ยอมเชื่อถือนั้นเพราะฉะนั้นถึงได้มองเห็นไปต่างๆทํามั่นใจสียอย่างเดียวต่อให้ตาจะฝาหรือหูจะบิดเบือนไปเช่นไรก็บอกตนเองไว้เสมอว่าอุปาทาน แล้วมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นไม่ต้องมาผุดรุกผุดนั่งประเดี๋ยวคว้าปืนประเดี๋ยวปลุกผมอย่างที่คุณหญิงทำเมื่อคืนหล่อนยกมือขึ้นกลุมขมักถามจริงๆเถอะเมื่อคือนคุณไม่เห็นอะไรอย่างที่ฉันเห็นเลยหรือเห็นเหมือนกันแหละครับแต่ไม่ได้เห็นอย่างคุณหญิงคือเห็นของจริงไม่ใช่สิ่งมายาลวงตาเกงเข้ามาใต้ห้างของเราสามตัวเมื่อตอนตี่สี่ตอนนั้นคุณหญิงหลับสนิทไปแล้ว แล้วก็ได้ยินบางกับหมานายร้องอยู่สองสาครั้งตอนที่คุณหญิงกวนกวายผุดลุกผุดนั่งอยู่นั่นแหละนอกนั้นก็ไม่เห็นมีอะไรผิดปกติแปลว่าคุณมีคาถาเดินป่าขลังใช่ไหมคุณถึงไม่มีอะไรมารบกวนให้ประสาทเสียจอมพรานอมยิม้มถ้าไปถามบุญคำหรือพรานพื้นเมืองทุกคนเขาก็จะตอบว่าใช่แต่สาหรับผมไม่อยู่ในฐานะจะพูดอะไรที่คุณหญิงพิจารณาว่าเลวไหลเช่นนั้นได้ อะไรที่มันไม่สามารถมารบกวนผมได้ก็เพราะผมไม่ยอมให้มันมารบกวนตะหากละ่ะมันเป็นเพราะความจำเจเคยชินเป็นหลักใหญ่สมัยที่ผมยังเด็กๆหัดเข้าป่าเป็นครั้งแรกกับคุณพ่อเวลากลางคืนไม่ว่าจะนอนห้างหรือนอนแคมป์ผมตัวสั่นกอดคุณพ่อไว้แน่นตลอดทั้งคืนอยากให้ตะวันขึ้นเร็วๆแล้วคุณไปเอาคาถามาจากไหนคุณพ่อให้คาถาผมสารพัดชนิด เมื่อท่านเห็นว่าผมเป็นเด็กขี้คลาตาขาวและกลัวในสิ่งที่มองไม่เห็นไปเสียทุกอย่างแต่เมื่อผมโตขึ้นหน่อยกล้าขึ้นอีกนิดท่านไม่ได้แนะนำให้ผมใช้คาถาแต่แนะนำให้รู้จักเลือกป่าป่าไหนควรจะเดินอย่างไรสัตว์ชนิดไหนเราควรจะยิงมันหรือรบเลี่ยงมันอย่างไรแล้วเขาก็หัวเราะออกมาอย่างขบขันจ้องตาหลอน พูดถึงเรื่องคาถาอาคมมันเป็นเรื่องหน้าหัวเราะนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งยามเมื่อคุณหญิงมีความรู้สึกกลับคืนมาเป็นตัวของตัวเองเช่นขณะ น, นี้แต่สำหรับเมื่อคืนนี้ตอนที่จิตใจของคุณหญิงกำลังวอกแวกหวั่นไหวเต็มที่คุณหญิงก็ไหวต้นไม้หรือท่องคาถาที่ผมบอกให้ว่าตามได้โดยหัวเราะไม่ออกเลยดารินหลีตาลงนั่งเท้าคางกัดเล็บ คุณทำให้ฉันต้องยืนอยู่ในระหว่างปากประตูของความมืดกับความสว่างวิเคราะห์อะไรออกไปไม่ถูกอยู่นั่นเองคําพูดของคุณสองแง่สองมุมอยู่ทุกขณะบางครั้งคุณก็พูดมีความหมายเหมือนจะยืนยันตามทฤษฎีของวิทยาศาสต ร, ร์ปัจจุบันคืออุปทานแต่บางครั้งคุณก็พูดเหมือนจะยืนยันว่าพูดผีปีาศาจความอาถรรพ์และมวลมืดอาคมในโลกนี้เป็นสิ่งมีจริง มันจะไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเลยถ้าฉันไม่มีประสบการณ์ประหลาดที่พบด้วยตนเองเมื่อคืนเอาเถอะผมจะสรุปให้จอมผานพูดช้าๆด้วยสีหน้ายิ้มระไมขณะนั้นกาแฟต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วเขากำลังจัดการลินใส่ถ้วยพลาสติกส่งไปให้รอนพูดผีปีศาจจะมีจริงหรือไม่ผมไม่ทราบแต่ความรีรับอาถรรพ์ในป่านั้นบางขณะ ฟังผมพูดให้ดีนะครับผมพูดว่าบางขณะมันมีเหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนมีพลังงานอยู่ในตัวของมันเองทั้งสิ้นความเงียบสงดความเปล่าเปลี่ยวความที่ห่างไกลาจากอารยธรรมมันก็เป็นพลังงานชนิดหนึ่งส่วนมันจะมีอิทธิพลอยู่เหนือเราหรือไม่นั้นมันอยู่ที่อำนาจจิตเราเองเป็นที่ตั้งถ้าเราแข็งกว่ามันมันก็สลายตัวสูญหายไป ถ้าเราอ่อนกว่ามันก็เข้าครอบงำและคุกคามสติกับลูกปืนนั่นแหละครับเป็นเครื่องรางที่ดีที่สุดคุณหญิงเพิ่งจะเห็นความรีรับพิสดารของป่าเป็นครั้งแรกขนาดเบาๆ เ, เท่านั้นต่อไปเราจะเดินทางลึกเข้าไปเป็นลำดับป่าจะใหญ่กว่านี้ขึ้นไปเรื่อยแล้วก็จะได้เห็นอะไรที่วิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้หรือไม่มีโอกาสพิสูจน์ออกอีกมากนะักความจริงการใช้คาถาอาคมก็คือการช่วยตนเอง ให้ควบคุมสติแน่วแน่ขึ้นนั่นเองแล้วอีกนายหนึ่งคนที่มีสติดีก็คือคนที่มีคาถาวิเศษอยู่กับตนเองแล้วอืมคุณพูดเป็นวิยาศาสตร์ดีเหลือเกินนะในพรานแต่ก็ทำให้นักวิทยาศาสตร์อย่างฉันขนลุกอยู่ดีนั่นแหละอยากจะขอร้องอะไรหน่อยเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นกับฉันเมื่อคืนนี้เงียบไว้ได้ไหมอย่าพูดให้พี่ใหญ่หรือชา ย, ยันรู้ฉันม่ต้องการนี้ทั้งสองคนนั้นหัวเราะเยาะฉันได้ครับ ขอขอบใจอย่างมากด้วยคุณเป็นพี่เลี้ยงได้ผู้คุ้มกันฉันอย่างดีที่สุดสำหรับการนั่งห้างด้วยกันเมื่อคืนนี้ถ้าไม่ใช่คุณฉันงเดาไม่ถูกว่าเมื่อคืนนี้ฉันจะเป็นยังไงบ้างตอนที่สติของฉันไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนั้นฉันอาจเป็นบ้าไปแล้วก็ได้รลายแต่รลายคร้างฉันอยากจะกรีดร้องออกมาอยากจะยิงปืนให้รั่นไปหมดทั้งป่าเพราะเจ้าสิ่งที่มันหลอกหลอนดวงตาดวงประส า, าเหล่านั้น คุณมีลูกไม้ดีหรือเกินที่ออกใบชั้นท่องคาถาเป็นการควบคุมสติไว้คาถาของคุณไม่ใช่เป็นสิ่งที่ฉันจะหัวเราะเยาะอย่างที่คุณคิดหรอกเพราะอย่างน้อยคาถาบทนี้ก็ช่วยชั้นไว้แม้จะเป็นเพียงแค่ด้านจิตวิทยาก็ตามพี่ใหญ่คงจะเข้าใจอะไรมาก่อนเหมือนกันถึงได้เจาะจงเลือกคุณให้มานั่งเป็นเพื่อนชั้นเพราะฉะนั้นขอโทษ ด, ด้วยถ้าฉันแสดงอวดดีอะไรกลับไปกับคุณบ้างก่อนที่เราจะมานั่งห่างด้วยกัน พรานใหญ่คงเพียงแต่ยิ้มขันขันอยู่ตามเดิมไม่ได้ตอบว่าอะไรขณะนั้นก็มีเสียงกูเรียกดังมาจากปากด่านด้านหนึ่งไม่ห่างออกไปนักพร้อมกับเสียงย่ำใบไม้กรอบแกรบใกล้เข้ามาคุณชายกับบุญคำมาแล้วระพินบอกพร้อมกับกูตอบออกไปแล้วก็เตรียมกาแฟไว้ให้ครู่เดียวร่างของบุญคกับเชิฐาก็โผพ้นซุ้มไม้เดินลงปากด่านตรงเข้ามาโดยเร็ว เสียงเชิฐาตะโกนทักทายล่วงหน้าเขามาก่อนอย่างร่าเริงแล้วปลดปืนกับเป้หลังออกวางไว้รับกาแฟจากรับพินไปดื่มอย่างกระหายพอทราบว่าน้องสาวยิงกระทิงล้มไว้ตัวหนึ่งทั้งเชิฐาและบุญคามก็ตรงเข้าไปดูอย่างตื่นเต้นดีใจพร้อมทั้งสอบซักถามรายละเอียดเก่งมากน้อยไม่เสียแรงที่รบร้วจะมานั่งห้างให้ได้มือทาบาปขึ้นหรือเกินนะ กระทิงตัวนี้เป็นตัวใหญ่ที่สุดที่พี่เคยเห็นพี่ชายเอ่ยขึ้นยิ้มๆกับน้องสาวภายหลังเมื่อกลับมานั่งพักร่วมดื่มกาแฟและสนทนากันที่ริมกองไฟใต้ห้างทางด้านพี่ใหญ่ราคะมันเข้า ห, าหาหรือเปล่าเชิฐาสั่นศีษะบเบะปากและหัวเราะพี่กับบุญคมเดินไกลเปล่าไม่ได้เรื่องเลยตอนหนูข้ามได้ยินมันร้องอยู่ใกล้ๆตีนเขาหลังห้างนึกว่าจะเข้าก็เปล่า พอตกดึกเสื้อลงบุญคำสองไฟติดบางพลายเสียยิงไม่ทนันมันเพนเสียก่อนเป็นนันว่านั่งฟาวตลอดทั้งคืนโมโหขึ้นมาตอนเช้าเดินกลับมานี้เลยสอยข้างริมทางลงมาเสียสองตัวยังนึกเลยว่าทางน้อยกับประพินก็คงนั่งฟาวเหมือนกันพรานใหญ่สองไฟให้ดีมากค่ะซ้อมกันอยู่หลายค้างก่อนจะถึงกลางคืนแล้วก็ช่วยเหลือแนะนาเป็นอย่างดีทีเดียว ประกอบกับโชคด้วยน้องสาวบอกปนหัวเราะชำเลืองไปทางรล้พินนิดหนึ่งขณะที่พูดไม่ทราบทางชัยยานได้อะไรหรือเปล่ามือนั้นไม่ต้องสงสัยไรหรอกอะไรเข้าก่อนก็คงยิงแงน่นเว้นไว้แต่จะไม่มีสัตว์อะไรลงเลยพี่ชายว่าแล้วมองด้วยสายตาแจ่มายไปทางพรานใหญ่เป็นยังไงบ้างลูกศิษย์ที่มักจะนอกครูของคุณคนนี้ คำถามของเขาหมายถึงดาลินผู้เป็นน้องสาวระพินยิ้มอ่อนโยนตอบเรียบๆว่าเก่งเกินกว่าที่ผมจะเชื่อมาก่อนครับโดยเฉพาะฝีมือยิงปืนวางใจได้ทีเดียวถ้าเจ้าตัวคุมสติได้มั่นพอเชษฐาหันมาทางน้องสาวคนสวยอีกครั้งพยักหน้าถามด้วยอารมณ์ดีต่อมาเป็นไงบ้างนั่งห้างตลอดทั้งคืนเป็นครั้งแรก ก็ตื่นเต้นออกรถดีค่ะได้เห็นอะไรแปลกแปลตั้งหลายอย่างแล้วหล่อนก็เล่าให้พี่ชายฟังนับตั้งแต่การเริ่มขึ้นนั่งและเห็นสัตว์ต่างๆทยอยผ่านเข้ามาให้ชมก่อนตะวันตกดินแต่ปกปิดมิดชิดไม่ยอมแพร่งพายให้รู้ว่ากลางดึกได้เกิดอะไรขึ้นกับตัวหล่อนพี่ชายนั่งฟังอย่างพลอยสนุกตื่นเต้นไปด้วยคราวนี้รู้รถแล้วสิว่าการนั่งห้างมันลาบากทรมานสักขนาดไหน ไม่มีอะไรทรมานเลยค่ะหลังจากจิงกระทิงเมื่อตอนสี่ทุ่ม ก, กว่าแล้วน้อยก็นอนหลับเป็นตายพรานใหญ่สละที่ให้น้อยนอนตัวเ้านั่งเฝ้ารอนบอกพอสบตากับพระพินก็ยิ้มจืดจืดพร้อมกับยักไหล่นิดหนึ่งพี่ชายมิถันสังเกตเห็นอาการของน้องสาวส่วนพรานใหญ่สีหน้าเรียบเรียบเป็นปกติอาหารสําหรับเช้า ว, วันนี้เป็นอาหารแบบกลางป่าแท้ๆเพื่อสําหรับรองท้อง บุญคำจัดการถลกหนังข้างที่เชิฐายิงได้และหิ้วมาด้วยออกส่วนนพีนเปิดหนังกระทิงแร่เอาเฉพาะเนื้อส่วนหนึ่งแล้วเกลี่ยไฟสุมเป็นรางย่างข้างกับกระทิงโดยอาศัยเกลือเล็กน้อยซึ่งบุญคำมีติดอยู่ในย่ามทาบางๆทั้ง4คนกินกันข้างของไฟนั่นเองเชิดาและดาลินกินกันอย่างออกรสเป็นพิเศษเพราะบรรยากาศผิดไปกว่าการกินในแคมป์มาก เมื่อรับประทานเสร็จเรียบร้อยดื่มกาแฟสูบบุหรี่สนทนากันอยู่อีกครู่ก็เริ่มออกเดินทางบ่ายหน้ากลับแคมป์โดยทิ้งซากกระถิงส่วนใหญ่ไว้ที่เดิมเพื่อรอส่งให้ลูกหาบมาราเรียงป่านี้ชายยันคงจะกลับไปถึงแคมป์แล้วกำมังหัวหน้าคณะเดินทางเอ่ยขึ้นขณะที่มองดูนาฬิกาข้อมือขณะนั้นมันเป็นเวลา9 0 0าจนยศูอเซดหมอกในก้นหุบเริ่มจะจาง คงจะกลับไปถึงแล้วครับผมสั่งเกิดไว้ว่าในตอนเช้าพอรงจากห้างก็ให้นํากลับแคมป์เลยเมื่อคืนได้ยินเสียงปืนทางด้านชา ย, ยันหรือเปล่าไม่ได้ยินเลยครับแต่ถึงปืนจะลั่นทางผมก็ไม่ได้ยินอยู่ดีเพราะระยะห่างกันมากเขากั้นไว้ทั้งลูกชั่วโมงเศษให้หลังขณะที่โรงจากเนินราดไปบรรจบกับด่านช้างอันเป็นตําแหน่งที่แยกทางกับชา ย, ยันและเกิดเมื่อวานนี้ ทั้งหมดก็อุทานออกมาด้วยความพิศวงพระมอเห็นชายยันกับเกิดนั่งขัดสมาที่อยู่ริมทางด่านมีกองไฟสําหรับหุงหาอาหารส่งควันกลุ่นอยู่ตรงหน้าทั้งสองฝ่ายต่างเห็นกันในเวลาเดียวกันชายยันโบกมือให้แต่ไม่ลุกขึ้นยังคงนั่งแทะอะไรในมือฝ่ายที่เพิ่งจะตัดทางเข้ามารีบตรงเข้าไปสมทบโดยเร็วเมื่อมาถึงก็เห็นชายยันแทะขากระจงย่างอยู่สีหน้าไม่เสเบยนะักอ้าว นึกว่าป่านนี้กลับไปถึงแคมป์แล้วมานั่งแท้ขากระจงอยู่ตรงนี้เองแล้วหรือกลับอะไรกันเล่ามานั่งดักคอยแกกับรัพินตรงนี้ตั้งแต่เช้ามืดแล้วหิวหนักเข้ากเลยต้องเอาปืนยิงช้างมายิงกระจงย่างรองท้องอยู่นี่ทำไมถึงมาช้ากันนะกล่ะทั้งหมดอดหัวเราะออกมาไม่ได้เมื่อมองเห็นสีหน้าและอาการของชัยยันในขณะนั้นยกเว้นรัพินคนเดียวที่รู้สึกว่า มันน่าจะเกิดสิ่งผิดปกติขึ้นเสียแล้วในการที่ชัยันมาดักคอยเขาอยู่เช่นนี้แทนที่จะกลับแคมป์มองไปทางเกิดเห็นผ่านพื้นเมืองอันเป็นคนของเขาก็คอยมองดูเขาก่อนแล้วพอศบตาเกิดทำสีหน้าพิกลทำไมจะต้องมารอให้เสียเวลาด้วยก็ตกลงกันไว้แล้วไม่ใช่หรือว่าให้แกกลับแคมป์เลยในตอนเช้าเชฐาถามพร้อมกับหัวเราะชายันหน้ามุย โยนกระดูขากระจงในมือทิ้งเปิดกระติกน้ำออกดื่มแล้วป้ายแขนเช็ดปากถามอ่อยๆแกกับน้อยได้อะไรหรือเปล่าการไม่ได้อะไรเลยสักอย่างเสือลงตอนดึกแต่ก็ยิงไม่ทันน้อยโชคดีมากล้มกระทิงตัวเบลอทีเดียวนี่เรากินอาหารเช้ากันแล้วถึงได้มาไม่นึกว่าแกจะคอยดักอยู่ปากทางคิดว่าแกกลับไปถึงแคมป์ตั้งนานแล้วว่าแต่แกเธอได้อะไรบ้าง หรือว่าเพิ่งจะมาได้ไอ้กระจงทุเร่ตัวนี้เอาตอนเช้านี่ตัวเดียวเสียงของเขาจุ๊บปากเบาๆและถอนใจเฮือกฉันสวยกว่าเพื่อนทำไมเชฐษฐาดาลินร้องถามมาโดยเร็วเป็นเสียงเดียวกันชายานหัวร้อหือหืหันไปมองดูหน้าเกิดฉันก็ยิงกระทิงคว่มอยู่กับที่เหมือนกันในราวสองทุ่มแต่ให้ธรณีสูบเถอะ มันเป็นกระทิงตัวงามกว่ากระทิงที่นักล่าคนไหนจะเคยยิงมาได้แล้วทั้งสิ้นคือตัวมันสูงเท่าอีกเก้งเท่านั้นอายุเห็นจะไม่เกินสองเดือนมีหนา้ํามฉันยังยิงหนังแม่ของมันล่าขาป่าล่าไปอีกด้วยบ้าลเลยําเลยไม่รู้จะโทษอะไรกลางคืนมันมืดหรือเกินสังเกตอะไรไม่ได้สักอย่างนอกจากดวงตาที่สะท้อนแสงไฟเท่านั้นเพราะเกิดฉายไฟตาคู่แรกมันสะท้อนตอบมา ฉันก็ใส่ตูมเข้าให้โดยไม่มีโอกาสจะมานั่งพิจารณาอยู่ไอ้ลูกอ่อนตัวชี้จ้อยนั่นก็ม้วนพับลงไปกว่าจะรู้ว่ามันเป็นลูกก็เห็นหนางแม่กระโจนพูดออกมาจากพงแผดเสียงร้องรั่นเลยใส่เข้าให้อีกตูมจะเป็นเพราะความตื่นเต้นเกินไปหรือเพราะเห็นศูนย์ปืนไม่ถนัดก็ไม่รู้ยิงไปถูกโคนขาหลังเข้ามันล้มปัดไปพอจะสามก็ลุกขึ้นวิ่งป่าแตกไว้เสีก่อนเชิดากับดาลินลืมตากว้าง เมื่อได้ยินคำบอกเล่าของชายยันบุญคำอุทานอะไรออกมาคำหนึ่งส่วนพรานใหญ่หน้าขึ้มลงในบัดนั้นระหว่างที่ราชส ก, กุลสองพี่น้องกำลังลุมกันซักถามชายยันอยู่ขเขาก็หันไปสอบถามเกิดผู้ซึ่งขึ้นนั่งห้างคู่กับชายยันก็ได้ความแน่ชัดว่าประมาณสองทุ่มเศษกระทิงแม่ลูกอ่อนคู่หนึ่งลงมาที่หนองน้าบริเวณห้างเกิดเป็นคนฉายไฟ แต่บังเอิญไฟที่เขากราดตรงปกระทบเข้ากับตาของลูกกระทิงเป็นอันดับแรกชายยานจึงยิงโดยหมายไปยังตาคู่นั้นทั้งๆที่ไม่สามารถมองเห็นตัวถนัดภายหลังจากนัดแรกได้รั้นออกไปแล้วจึงได้รู้ว่าเป้าหมายเป็นลูกอ่อนของแม่กระถิงตัวนั้นเพราะแรเห็นแม่กระถิงเพ่นโผลอย่างดื่มตายเข้ามาที่ซ่าของลูกด้วยความหวงแหนโกรธแค้นจนดื่มความตกใจกลัวชายยานรั้นกระสุนไปอีกนับหนึ่ง แต่ไม่สามารถล้มมันได้และไม่มีโอกาสจะซ้ำได้อีกเลยเพราะมันหันกับเพเข้าดงทึบไปทิ้งรอยเลือดจากบาดแผลตะโพกหลังไว้เป็นทางสังเกตเห็นได้ถนัดเมื่อลงมาสำรวจดูในตอนเช้าชายยานชวนเกิดออกตามรอยแต่เกิดคัดค้านเพราะนอกเหนือคำสั่งที่พรานใหญ่กำหนดไว้ให้จึงแน่นให้มาคอยดักพบเพื่อบอกข่าวอยู่ยังปากทางแยกนี้เชิฐาหันมามองดูหน้าพรานใหญ่ เหมือนจะขอความเห็นระพินนิ่งอึ้งไปครู่ใหญ่หันไปต่ถามพรานผู้ที่ร่วมในเหตุการณ์ของเขาอีกสองสาคำก็พอจะคาดคณีอะไรได้กระสุนของชายยานจะถูกบริเวณขาหลังของกระทิงตัวนั้นบาดเจ็บไปอย่างแน่นอนแม้การยิงจะเกิดในกลางคืนโดยอาศัยเพียงแค่ลำแสงไฟฉายอันฉาบฉวยก็จริงอยู่แต่แผลที่กระทิงตัวนั้นถูกยิงก็ควรจะรู้ได้ชัดจากความํานาญของเกิด โดยอาศัยสังเกตจากรอยเลือดและรอยเท้าของมันที่เตลดิดหนีไปและอันเนื่องมาจากปืนที่ชายยันใช้ยิงเป็นปืนจุด 4-5-8 แมกนัมอันจัดว่ากระสุนขนาดล้มช้างถึงจะเป็นแผลจากตะโพกหรือโคนขาหลังก็จะต้องชะกันมากมันจะไปไม่ได้ไกลนักและอาจไม่มีทางรอดเว้นไว้แต่จะทนทุกข์ทรมานไปนานเท่าไรเท่านั้นซึ่งทุกขเวทนาจากพิษบาดแผลของมันประการหนึ่ง แรงอาฆาตแค้นตามสัญานของสัตว์ร้ายแม่ลูกอ่อนที่สูญเสียรูกไปอีกประการหนึ่งเขาก็สามารถจะประมาณได้ในทันทีโดยไม่มีข้อกังขาใดๆว่านางกระทิงตัวนี้จะร้ายกากขนาดไหนมันยิ่งสียกว่ากระทิงโทนที่ดุร้ายตามธรรมชาติสามัญของมันหลายเท่านักคุณชัยยันทำถูกแล้วครับที่ไม่ด่วนผีผามออกมาตามมันแล้วมาคอยดัก บ, บอกขา่าวให้พวกเรารู้เสียก่อนในที่สุด เขาก็เอ่ยขึ้นต่ำๆผมเกิดกตามมันเป็นแล้วถ้าเกิดไม่ห้ามไว้เสียอดีตในพันตรีทหารปืนใหญ่บอกตามตรงพรางสบทสบานพึมอยู่ในลำคอภาระหนักใจอีกแล้วสินี่ไม่ดูให้ดีสีกก่อนนี่นาแกก็เชษถาเปรยออกมาเป่าลมออกจากปากปูโทกลางคืนจะไปเห็นอะไรเล่าแล้วก็พงไม้ออกทึบอย่างนั้น สังเกตเห็นได้ก็แต่ลูกตาเท่านั้นอาศัยฟังเสียงก็รู้แน่ว่ากระทิงกําลังเข้ามาแต่จะมัวพิจารณาอยู่ได้ยังไงว่าตัวไหนลูกตัวไหนแม่ไม่คิดเสียด้วยซ้ําว่าจะไปเจอกระทิงแม่ลูกอ่อนชยยันร้องด้านไม่เป็นไรหรอกครับผมเชื่อว่าคงตามไม่ยากพรานใหญ่พูดช้าๆมองไปที่ชายยันแล้วยิ้มปลอบใจถึงยังไงมันก็คงไม่ไปไกลดีไม่ดีอาจไปนอนฟุบอยู่ที่ไหนแล้วก็ได้ ลูกปืนของคุณชัยยานโตออกอย่างนั้นแผลจะต้องจัดการทีเดียวเห็นเกิดบอกว่าเลือดออกมากการส่องไฟยิงก็อย่างนี้แหะครับเป็นธรรมดาเราไม่สามารถจะเห็นอะไรได้ชัดนอกจากอาศัยสังเกตจากการสะท้อนตอบแสงไฟของตามันผมเองก็ยังเคยยิงเอาลูกหรือตัวเมียเข้าบ่อยๆถ้าหากส่องไฟยิงยิงกระทิงพลาดไม่เป็นท่าแล้วมายิงกระจงย่างไฟเคี้ยกวกลุ่มๆอยู่ตรงนี้ฉันสงสัยสิจริงว่า นางแม่ของมันป่านนี้จ้องคอยจะฉีกเนื้อเธออยู่ที่พุ่มไม้ตรงไหนฆ่าที่เธอยิงลูกอ่อนของมันตายไม่หน้ำซ้ำยังยิงมันให้เจ็บไปดาลีนพูดพรางหัวเราะพางอย่างปรงอ น, นิจจังเพื่อนหนุ่มจุ๊ปากลั่นยังหุดหงิดหันมาแยกเคี้ยวใส่ไม่ต้องมาหัวเราะเยาะหรอกรับรองว่าฉันจะตามมันเองมันดักหน้าบอกสิก่อนให้รู้กันเท่านั้นพะเดี๋ยวยังไม่ทันรู้ตัวก็จะเดือดร้อนเธอโชคดียิงได้อย่างสบายๆก็ดีแล้ว หัวหน้าคณะเดินทางหันมาทางรัฐินอีกครั้งเอากันยังไงดีละ่ะสําหรับกระทิงลําบากตัวนี้ก่อนที่พรานใหญ่จะเอ่ยเช่นไรชายยันก็รีบบอกมาโดยเร็วว่าฉันมาคอยดักพบพระพินอยู่ที่นี่ก็เพื่อจะชวนเขาให้นําออกตามรอยฉันต้องการไปกับรัพินเพียงสองคนเท่านั้นแกกับน้อยไม่ต้องพลอยลําบากด้วยหรอกเมื่อฉันเป็นคนสร้างเรื่องยิงมันเจ็บไว้ ก็เป็นหน้าที่ของฉันที่จะต้องตามมาตัวมันให้ได้คนอื่นไม่เกี่ยวยกเว้นพรานใหญ่ที่จะช่วยนําทางเท่านั้นเชิดาพยักหน้าช้าช้ารู้ใจเพื่อนดีและไม่อยากขัดใจเอางั้นเหรอแน่นอนก็ดีเหมือนกันเป็นอันว่าแกไปกับว่าพินสองคนนี่ไม่ใช่ฉันจะบังคับให้แกไปตามกระทิงลําบากตัวนั้นเพราะถือว่าแกเป็นคนยิงวันไว้หรอกนะแต่ฉันรู้ใจแกดีอยู่ว่าแกต้องการจะร้มมันให้ได้ด้วยมือของแกเอง ทั้งทั้งที่อันที่จริงฉันก็อยากจะไปกับแกด้วยอย่าลำบากเลยเชิฐาเรื่องนี้ให้ฉันรับผิดชอบเองดีกว่ายิ่งไปกันมากคนเท่าไหร่ก็ยิ่งเสี่ยงมากขึ้นเท่านั้นถึงยังไงฉันก็ต้องตามเอาตัวมันให้ได้ไม่ว่าจะใช้เวลานานสักเท่าไหร่แกกับน้อยกลับไปนอรอฟังข่าวที่แคมป์ให้สบายเถอะแล้วชายยันก็หันไปทางระพินคุณไม่รังเกียจในการที่จะนำติดรอยไม่ใช่หรือระพินหัวเราะเบา ผมพร้อมเสมอครับแต่คิดว่าเพื่อไม่ลำบากให้เป็นภรราระของผมเองไม่ดีกว่าหรือเดี๋ยวผมจะไปกับเกิดเองคุณชยานคุณชา ย, ชายและคุณหญิงกลับแคมป์ก่อนจะเหมาะกว่าผมจะให้บุญคำนำกลับอดีตนายพรนอดีตนายพันตีทหารปืนใหญ่สั่นศีษะพูดหนักแน่นพระพินคุณคงเข้าใจดีอยู่แล้วเมื่อผมพูดว่ากระทิงลาบากตัวนี้ตกอยู่ในความรับผิดชอบของผมโดยตรง แม้ว่าการตามมันจะทำให้ผมต้องเสี่ยงชีวิตสักขนาดไหนก็ตามถ้าคุณชายยันมีเจตนาแน่ๆอย่างนั้นก็ไม่มีอะไรขัดข้องครับผ่านใหญ่กล่าวอย่างสงบแล้วหันมาทางหัวหน้าคณะเดินทางเป็นอันว่าผมไปกับคุณชายันสองคนคุณชายคุณหญิงบุญคําและเกิดล่วงหน้ากับแคมป์ก่อนเราจะแยกกันที่นี่แหละตกลง เชษฐารับคำอย่างง่ายๆในกรณีนี้เขาไม่มีอะไรที่ต้องเป็นห่วงชชยันนักเพราะวางใจว่าจะยังไรเสียระพินก็ไปด้วยทั้งคนพลานใหญ่หันไปสั่งบุญคำว่าภายหลังเมื่อกลับไปถึงแคมป์แล้วให้ลูกหาจำนวนหนึ่งไปถลกหนังและลำเลียงเนื้อกระทิ่งตัวที่หม่อมราชวงหญิงดาลินยิงล้มไว้กลับแคมป์ถ้าผมกับคุณชา ย, ยันยังไม่กลับไปถึงแคมป์ภายในวันนี้หรือพรุ่งนี้โปรดยาห่วง การตามอาจกินเวลาราช้าไปบ้างแต่เชื่อว่าคงไม่เกินสมวันเป็นอย่างสูงหรือบางทีอาจก่อนตะวันตกดินวันนี้ก็ได้แล้วแต่กรณีเขาบอกกับหัวหน้าคณะเดินทางก่อนที่จะพระแยกจากกันแล้วก็จัดการแบ่งข้าสารกับเนื้อแห้งที่บุญคำสะพายใส่ ย, ย่ามติดตัวเผื่อมาด้วยบัรจุรงเป้หลังเตรียมไว้เป็นสเสบียงสาหรับสองวันเมื่อสั่งการนัดแนะกันเรียบร้อยแล้วทั้งสองฝ่ายก็เตรียมแยกทาง เชษฐาดาลินบุญคำและเกิดบ่ายหน้ากลับที่ตั้งแคมป์ส่วนรบพินและชายยันจะย้อนไปเริ่มต้นสำรวจรอยที่ห่างซึ่งชายยันกับเกิดนั่งเมื่อคืนอันเป็นตำแหน่งที่กระทิงถูกปืนของชายยันลำบากไประวังตัวหน่อยนะชายยันหม่อมและชวงหญิงดาลินเตือนด้วยเสียงแผ่วเบามาเป็นประโยคสุดท้ายอย่างอดเป็นห่วงไม่ได้จ้องมองดูเพื่อนหนุ่มด้วยแววตาจริงจังปราศจากการร้อเรียนผิดไปกว่าแรก ชายยันโบกมือให้สองพี่น้องล่าจสกุลไม่ต้องเป็นห่วงไปคอยที่แคมป์เถอะบุญคำและเกิดแยกทางนำหมอ่อมราชวงเชษฐาและหมะ่อมราชวงหญิงดาลินเดินรับหายเขาดงทึบไปเหลือแต่เพียงชายยันกับพรานใหญ่เพียงสองคนซึ่งบัดนี้ยืนมองตากันขณะนั้นมันเป็นเวลา 10.00 นเศษอเอากาศกลางดงเริ่มจะระอุอ้าว เราจะกลับไปเริ่มต้นสำรวจรอยที่ห้างตรงที่คุณชายยันยิงมันไว้เมื่อคืนนี้ก่อนครับรล้พินบอกเบาๆชายยันขยับลูกเลื่อนไรเฟิลในมือสำรวจกระสุนในรังเพลิงตรวจสอบเพื่อความแน่ใจอีกครั้งก็พยักหน้าไปทั้งสองเริ่มต้นออกเดินโดยการนำของรพินเลียบไปตามด่านช้างเก่าๆก่อนแล้ววกขึ้นสู่พงรกทึบข้างป่าหนามและเถาวันเท่าที่ชายยันจำได้นั้น มันเป็นคนละทางกับที่เกิดนําเข้ามาเมื่อเช้านี้ภายหลังที่ลงจากห้างแต่ละผินบอกให้ทราบว่าเขานําตัดทางลัดมาเพื่อยน่นเวลาให้ถึงที่หมายโดยเร็วที่สุดไม่ถึงชั่วโมงหลังจากนั้นก็มาถึงหนองน้ําบริเวณที่ขัดห้างอันเป็นต้นแหล่งการยิงกระทิงลําบากของชัยยันอดีตนายทหารปืนใหญ่นําจอมพรานบุกพุ่มไม้ทึบต่อนหนึ่งเข้าไปโดยเร็วอึดใจเดียวลรผินก็พบซากของลูกกระทิงตัวหนึ่ง ถูกยิงนอนตายอยู่ในพงสูงใต้โคนต้นมะค่าใหญ่เฉียงไปทางด้านเหนือของตัวห้างที่ขัดไว้ระยะห่างประมาณ30เมตรทิศทางที่กระถิ่งเข้าด้านนี้กับภาพที่จะมองเห็นบนห้างมีรําต้นของไม้ใหญ่น้อยและพุ่มลกชัดบังเป็นฉากอำพรางตาไว้หนาแน่นไม่มีปัญหายิ่งในเวลากลางคืนอาศัยเพียงแค่แสงไฟฉายเช่นนั้นย่อมเต็มไปด้วยอุปสรรคอย่างยิ่งสำหรับการที่จะมองเห็นเป้าได้อย่างถนัด แต่ถึงเช่นนั้นก็พิสูจน์ชัดได้ว่าฝีมือการยิงของชายยานอยู่ในขั้นดีมากเพราะรอยกระสุนเจาะเข้าในระหว่างช่วงตาของลูกกระทิงตัวนั้นพอดีสแสดงว่าเขาส่งกระสุนเข้าเป้าหมายอย่างแม่นยำในทัน ท, นที่ในทันที่ดวงตาสะท้อนแสงไฟให้สังเกตเห็นได้เราแวะใกล้เคียงกับที่ลูกกระทิงถูกยิงล้มอยู่แหลกยับเยินไปด้วยรอยเท้าของนางแม่ ซึ่งโผลทยานเข้ามาที่ซ่าของลูกรวมทั้งสุดร้มลงไปดิ้นเมื่อโดนกระสุนนัดที่สองของชัยยานันลำต้นของหลุมพอต้นหนึ่งเป็นรอยถากกระจุยไปอย่างน่ากลัวเป็นแผลเบอร์อันเกิดจากเขาของนางกระทิงตัวนั้นซึ่งพุ่งเขาสา ย, ยลิลิศเจ็บปวดและบ้าเลือดระหว่างที่ผ่านใหญ่พิจารณาดูร่องรอยเหล่านั้นอย่างใคร่ครวญชายยันจุปป๊บปากโครงหัวสะบดอะไรพัอยู่เหนือซ่าลูกกระทิงตัวนั้น รู้สึกว่าเขาจะหงุดหงิดและเสียใจไม่น้อยที่ยิงมันตายเพราะเข้าใจผิดผมอ่าจตื่นเต้นนุนนลนเกินไปก็ได้พอเกิดฟาดไฟลงมากระทบตาผมก็ยิงเลยโดยไม่ทันพิจารณาให้รอบครอบเสียก่อนถ้ารู้ว่าเป็นกระถิ่งลูกอ่อนผมจะไม่ยิงมันเลยทั้งแม่ทั้งลูกชายยันพูดอู้อี้อยู่ในลำคอขอมวดคิ้วนิ้วหน้า